1 1 1การหลับตารู้ไม่ใช่ปัญญาเป็นแค่สัญญามาปางที่9้านี้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธาจึงเพียงแต่มาทรงชดใช้วิบากเก่าไปพลางทั้งหมดไม่ได้สร้างความรู้ใหม่ที่เป็นพุทธธรรมใดเลยจึงเรียกความรู้ที่จะรู้ขั้นมานี้ว่าปัญญามิได้เลย เพราะยังไม่ปรากฏมรรคแอันเป็นอริยสัจเพื่อปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้เกิดริมุดแต่อย่างใดเรื่องจากเก้วชายศิษฐะก็ยังระลึกเอามารรคขึ้นมาไม่ได้โลกยังไม่มีโพชฌงกิจให้ใชารรมวิจัยสำโพชฌงยังไม่มีสัมมาทิฏฐิที่จะปฏิบัติให้เกิดปัญญา ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าต้องปฏิบัติมรเกตองค์จึงจะมีองค์ธรรมหกได้แก่ปัญญาปัญญิสีสีปัญญาพละธรรมวิจัยสัโพธชงสัมมาทิฏฐิมรขังคะไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบสี ข้อ252ถึงข้อ280สำหรับองค์ธรรม6นี้อยู่ในข้อ258แม้จะอาศัยอดีตระลึกรู้ได้ก็เป็นแค่สัญญากำหนดรู้จากความจำไม่ใช่ความจริงที่เกิดใหม่และไม่ใช่การเกิดของปัญญาใหม่ที่ได้รู้ โลกุตระรมใหม่เกิดขึ้นใหม่มาให้รู้แต่อย่างใดปัญญาของพุทธศาสนาต้องเกิดจากอธิปัญญาศิกขาในการปฏิบัติอริยมรรคองแปดซึ่งเป็นอธิปัญญาไม่เหมือนแบบอื่นที่ปฏิบัติด้วยมรรกวิธีอื่นอาธิจิตก็ไม่เหมือนที่ปฏิบัติหลับตาทำสมาธิและแบบอื่นที่ทำอาธิจิตกันด้วย จึงไม่พาเกิดพุท ธ, ธิปัญญา